ให้พากันตั้งใจสำรวมใจฟังธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้พากันกำหนดรู้ว่าโลกอันนี้มันมีแบบมีแผนไม้เอาสัตว์โลก ที่เกิดเตียนไหวอยู่ในวตาสงสารนี่ที่ยังพ้นทุกไปไม่ได้เพราะไม่รู้จักแบบแผนของโลกที่ถูกต้องคือโลกกับธรรมนั่นน่ะอาศัยกันอยู่ถ้าไม่มีโลกก็ไม่มีธรรมให้เข้าใจอย่างนั้น มานนี่ทำนั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปแจ้งแบ่งออกเป็นสามประเภทว่ากันง่ายๆว่าทำที่เป็นบุญนั้นอย่างหนึ่งทำที่เป็นบาปนั้นอย่างหนึ่งทำที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนั้นอย่างหนึ่งนี่แหละ ธรรมะที่แทรกอยู่กับโลกนี่นะมันมีอยู่สามประเภทอย่างนี้<ม>ให้เข้าใจมันนี่ผู้เกิดมาในโลกนี้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังคำสอนของพุปพัมภเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ในระหว่างโลกที่เป็นบาป ก, กับโลกที่เป็นบุญมันคลุกเข้ากันไป เจอบุญก็ทำบุญไ้เจอบาปก็ทำบาปไปเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงทำทั้งดีทั้งชั่วนี่ให้เข้าใจกันแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดง คำ ท, ที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั่นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟัง เ, เมื่อเราได้มาสู่พุทธศาสนานี้เราได้มานับถือพุทธศาสนานี้เราก็ได้ฟังาบางคนฟังแล้วไม่เอาใจใส่พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผล เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษโดยแจมแจ้งเมื่อไม่ไม่เห็นเรื่องเหล่านี้โดยแจมแจ้งแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะละบาปและบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ไม่สามารถที่จะละาบาปออกจากกายวาจาใจได้เพราะไม่ได้เห็นแจ้ง ฟังธรรมะคำสอนก็ฟังไว้เฉยๆฟังแล้วแล้วไปไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ใคร่ควรพิจารณาในคำสอน น, นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรอันนี้สำคัญมากถ้าบุคคลไม่ทนใจที่จะน้อมคำสอนของพพุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แม้จะฟังคําสอนของพระองค์ไปนานเท่านานสักเท่าใดก็ไม่ได้ผลเลยบุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะละชั่วทําดีได้ mm hmm. ดังนั้นล่ะจึงว่าการไข้ควรธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้านีครึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งสําคัญมาก mm hmm. อย่าพากันละเลยเมื่อฟังแล้วจําได้ คำสอนบทใดหมวดใดเกี่ยวกับเรื่องบุญก็ดีเกี่ยวกับเรื่องบาปก็ดีเกี่ยวกับเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆพวกนี้ตลอดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลเมื่อเราได้ฟังแล้วจาได้ก็น้อมเข้าไปคิดไปกรองไปพิจารณาอีกทีหนึ่ง ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของตนเองอย่างที่เคยที่แจ้งให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเช่นอย่างฆ่าสัตว์อย่างนี้่ทําไหมพระพุทธเจ้าอยู่ในทรงห้ามเราเอาไปคิดไปกลองดูแล้วอาที่ทรงห้ามนั่นก็เพราะว่าพระองค์ไม่พรบมีพระประสงค์ไม่ต้องการให้มนุษย์เบียดเบียนสัตว์เพราะว่าสัตว์นั้นแหละมันเป็นสัตว์ ท่านตืมมันก็เกิดมาร่วมโลกกันกับมนุษย์นี่แนวสัตว์ที่ไรฐานต่างๆนั้นมันก็ต้องการค ว, ความสุขเหมือนกับมนุษย์เรามันก็รักชีวิตของมันเหมือนกับมนุษย์เรารักชีวิตของตัวเองโดยเหตุผลจะเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้นเมื่อต่างคนต่างก็รักชีวิตของตนหวงแหนชีวิตอย่างนี้นเมื่อผู้ใด จะไปจับมันจะไปฆ่ามันอย่างนี้สัตว์อะนั้นมันก็กลัวตายแต่เมื่อมันมีอํานาจหน่อยมันสู้มนุษย์ไม่ได้มันก็ยอมตายตายไปทั้งที่เสียดายชีวิตเต็มทีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติธ้ามพุทธศาสนิกชอนทั้งหลายโดยไม่ควรที่จะไปประหัตประหารที่ ชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นผู้ใดมันมันนึกเทียบตนเองกับผู้อื่นสัตว์อื่นดูดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นน่ะก็จะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายได้ออพระองค์เจ้าแสดงไว้อย่างนี้นะแต่เมื่อเมื่อเราเนอะเข้าไปคิดดูตามที่พระองค์เจ้าชี้แจงไว้นั่นแล้วมันก็เป็นความจริงเนี่ยอืม ผู้มีปัญญามันก็ต้องเห็นตามเนะยเป็นความจริงแท้แท้อา้าวถ้าเป็นอย่างนั้นอนะทำไมลนะชาวพุทธข้างหลายนะั่นจึงชอบจับสัตว์มาฆ่าทำเป็นอาหาร เ, าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแนละคนอื่นอยู่อย่างนั้นก็ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่า บุคคลเหล่านั้นไม่รู้แจ้งเหตุผลแห่งปานาติบาตอันนี้ตามเป็นจริงผู้ใดรู้แจ้งอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ทำเขาก็มีปัญญาหาเงินหาทองในทางอื่นนู่นได้มาแล้วเขาก็ไปหาซื้อเอาอาหารที่ปราศจากจิตวิญญา น, นั้นมาบริโภคคนมีปัญญา คนมีปัญญาเท่าะมันถึงละบาปได้มันถึงละการเบียดเบียนได้ <c oughs> ที่ไ้พูดถึงคนกับคนอย่างนี้นะมันก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเบียดเบียนกันนะ <c oughs> เนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ต้องการความสุขใครก็ไม่ต้องการให้ใครไปเบียดเบียนตน ต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็ต้องมาเสวงหาความสุขกันต้องมาเสแวงหาความเป็นอิสระเทร่อย่างนี้แหละความมุ่งหมายของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้นะดังนั้นมนุษย์นี่นะพอเป็นผู้มีใจสูงขั้วสัตว์ดีดีฉานเมื่อมีใจสูงอด้วยคุณธรรมแนว ก็จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้เบียดเบียนกันทางวาจาก็ไม่สมควรไม่ไม่ถึงกบับหวาเบียดเบียนทางกายเช่นกล่าววาจาเสียบแทงกันให้เจ็บอกเจ็บใจอะไรต่างหมดนี้นะวาจานี่มันก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งถ้าหากว่า เจตนาภายในจิตใจนั่นมันเป็นอกุศลแล้วมันกล่าววาจาออกมาก็เป็นอาวุธ <c oughs> ชนิดหนึ่งแหละเท่มแทงหัวใจของคนให้เจ็บให้ปวดไปนานทีเดียวนะตปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนหะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแส ด, แดงธรรมแนะนำพุทธบริษัท ให้เจริญเมตตากรุณาให้มากมากให้เจริญเมตตาจิตคิดใจตัดทั้งหลายเป็นถุกทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรก็าตามเป็นศัตรูก็กช่างก็ช่างเราให้อภัยกันไปหมดเลยอย่าได้มีกรรมมีเวรต่อกันเพราะการที่บุคคลเหล่านั้นเบียดเบียนกันอยู่มีกรรมมีเวรเกี่ยวพันกันอยู่จึงทนทุกข์ไปไม่ได้ พระองค์เจ้าทรงรู้แจ้งอย่างนี้ <c oughs> จึงได้มีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลห า, าอุบายแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็ดำเนินไป ไหลไปสู่พระนิพพานเนะี่ยใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยเรื่อยเป็นอย่างนั้นเรื่องมาเนนะ่ะไม่ไปแล้วทางอื่นนะเนรกอปลายภูมิไม่ไปแล้วอมีแต่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยเื <c oughs> ่อเพราะเมื่อบุคคลเป็นผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วเนี่ มันเป็นใจที่สงบมันจึงเว้นจากการเบียดเบียนได้ถ้าผู้ใดมีใจวุ่นวายเดือดร้อนอยู่เนี่ยไม่ฟังนะมันต้องเบียดเบียนคนอื่นนะอ่เนี่ยสังเกตดูก็ได้สังเกตดูจิตใจของใครของเรานี่แหละในขณะใดที่ใจของตนนะวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยสแสดงกิริยากายวาจาอะไรออกไปเนี่ยก็มีแต่เรื่องหยาบโลนนะ เออนี่ต้องสแสดงต้องสังเกตดูตัวเองก็ได้ไม่ต้องไปสังเกตพวกอื่นเ ล, ละอันี้ในคราวใดถ้าจิตของตอนนั้นเป็นปกติอยู่เตรียมอยู่เลยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างนี้นะเวลาเช่นนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาก็นิ่มนวลอ่อนวนันเอหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจม่มใส นี่แสดงให้เห็นแล้วนะว่าเมื่อบุคคลใดเป็นผู้เว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วนี่เป็นคนใจดีตลอดไปเลยอันนี้อันใจดีอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อใจมันเย็นมันสบายแล้ววันนี้มันก่อไอ้เรื่อง ไม่ดีไม่ ง, งามต่าง ๆ, ๆไปกระทบกระทั่งไปมันรู้สึ ก, กว่ามันเจ็บมันแสบมันร้อนมากแ<ม>ันนี้มันก็เบื่อหน่ายความชั่วเหล่านั้นเลยบุคคลผู้มีใจเลือกเย็นเป็นปกติอยู่แล้วนะเออความชั่วได้มันมีพิษร้ายอย่างนี้เนอถ้าหากว่าเรานั้นแสดงความชั่วอยู่ในใจของตัวเองออกไปสู่คนอื่นนี่ คนอื่นเขาก็จะเจ็บจะแสบเหมือนกับเราได้รับจากคนอื่นนี้แหละ เ, เมื่อมันเพ่งที่นาสังเกตได้อย่างนี้มันก็สำรวมจิตใจของตนแบบนี้นะระมัดระวังจิตไม่ให้จิตมันสะสมความโกรธความพยาบาทต่างๆไว้ภายใน มันพอมามองเห็นฤทธิ์เดชของมันแล้วนี่มันมีพิษรยนะัยมันทําใจเดือดร้อนนะกิเลสเหล่านีนะ้ผู้นั้นมันก็ละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางไปได้พราะเห็นโทษของมันนะที่จะเห็นโทษมันก็เพราะอาศัยสตินี่เนะี่ยระลึกได้เวลาที่มันแสดงฤทธิ์ออกมาเวลาเผลอไปนะมันแสดงฤทธิ์ออกมาระลึกได้เลยถึงเรื่องนั้นแหละ ถึงเรื่องความโกรธความพยาบาทต่างๆนี่นะเมื่อมัเ ล, ลือกได้อย่างนี้มันก็คิจารณาพิจารณาก็เห็นโทษของมันนะเมื่อมันเห็นโทษบ่อยๆเข้าขอนี้มันก็เบือ่อเบื่อหน่ายเข้าไปเท่าไหรมันก็ยิ่งคลายความยึดความถือไปกี่เลสเหล่านี้มันก็เบาออกจากกิจไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้วิธีละกีเลสนี่ ไม่แช่ว่าเราจะไปกำหนดละทีเดียวมันขาดเด็ดไปเลยอย่างนั้นได้นะ่ะมันยังไม่ได้ก่อนเขราว่าปัญญามันยังอ่อนอยู่ <c oughs> จะไปละให้เป็นสมุดเษตปาหาคขั้งเดียวแล้วไม่เกิดขึ้นได้อีกเลยอย่างนี้ยังก่อนอมันต้องบาเพ็ญอินทรีย์เหล่านี้ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่ามาแล้วนี่แหละ ให้พากันเข้าใจอันปัญญานั้นธรรมชาติสร้างให้ไม่ใช่ให้เอามาไว้ต้มกินแกงกิ น, กกนธรรมชาติสร้างปัญญามาไว้ให้เพื่อเอาตัวรอดจากทุกข์ภายในสงสารนี่ต้องเตือนตอนอย่างนั้นดังนั้นเมื่อได้เผชิญกับเหตุร้ายต่างๆ กับเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเข้าอย่างนี้นะนั้นวเวลาอย่างนี้นเราต้องใช้ปัญญาในวันนี้นะใช้สมาธิจิตอกําหนดจิตให้ตั้งมั่นลงไปใช้ปัญญาวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นมูลเหตุเป็นมาอย่างไงนี่เมื่อเมื่อรู้เรื่องอย่างนี้มันมูลเหตุมันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องแก้ไขอย่างนั้น มันมองเห็นทางแก้ไขได้แล้วมันก็แก้ไขมูลเหตุของมันตกลงไปแล้วเรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้มีใจตั้งมัน่นแล้วผู้มีปัญญานะจกไม่ไปยึดเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ในใจแล้วสแสดงบทบาทคุกคามผู้อื่น ให้ได้รับความเดือดร้อนใจต่างๆหมดนี่จะไม่มีเลยอคนเราเมื่อระ ง, งับตัวเองได้แล้วมันก็เท่ากับว่าระ ง, งับผู้อื่นได้เหมือนกันนะอมันเป็นยางไงถ้าระ ง, งับกิเลสอันชั่วร้ายในหัวใจตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ไประงงับผู้อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างมี เมื่อต่างคนต่างมีแล้วต่างคนต่างก็ไม่ละอย่างนี้นะเมื่อไม่ละแล้วมันก็ประสานงานกันเท่านั้นเองเนี่ยเรื่อมา น, นะถึงเวลาเผลอเผอเข้ามาแล้วมันก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าต่างคนต่างก็ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เกิดมีเรื่องมีราวขึ้นไปอเท่านี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่า การปฏิบัติธรรมของคนเหล่านั้นนะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยก็ต้องให้รู้ตัวกันนะผู้ใดถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้แล้วก็ให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมของตัวเองนี่ยังไม่มีผลที่พอจะอุ่นใจได้ยังถูกมานคือกิเลสอันชั่วร้ายฉุดคล้าเอาไปได้อยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องพยายามตั้งใจเข้มแข็งขึ้นกว่านั้นตั้งสติเข้มแข็งขึ้นไปกว่านั้นสติตามโควกคูมจิตนี่นะให้มันเข้มแข็งไว้ mm hmm. เช่นนั้นอนะ่ะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากหลายอย่างสลับซับซ้อนจนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่นะเมื่อเอาคอๆเข้ามาแล้ว อาสติสมัมปชัญญะนี่นะสองอย่างนี่สําคัญมากดนั้นอย่าไปพากรละเลยทำสองอย่างนี่นะเมื่อมีสติสมัมปชัญญะนี่ควบคุมจิตใจนี่ได้แล้วนี่มันก็ควบคุมกายวาจาได้เหมือนกันเลยเพราะว่ากายวาจามันก็มีใจเป็นผู้บงการดังนั้น ถึงว่าการควบคุมจิตทุกอิเดียบทนี้นะจึงเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวใครจะมีความรู้ความดีฉลาดในธรรมในวินัยสักเท่าใดก็ช่างแต่ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกสติสัมปชัญญายาแก่กละควบคุมจิตใจของตนเสมอไปแล้วแน่นอนเนยะความรู้ความจําในธรรมวินัยเหล่านั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อกิเลสด้วยความชั่วร้ายมันกระทบกระทั่งเข้ามาก็าวันไว้ไปตามมันเลยเพราะว่าไม่ได้ควบคุมจิตอาศัยจิตจำเอาคำสอนของอุธเจ้ามาไวเ้เฉยๆอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วตนเองไม่ได้ น้มสติสมัมปชัญญะและลึกเข้าไปหาจิตนั่นบ่อยๆไม่ไปกวดกาม่ควบคุมจิตอยู่ บ, บ่อยๆอย่างนี้นะไม่ได้ผลเลยความรู้ที่เรียนมาจำมามุนั้นก็ช่วยไม่ได้ขอให้เข้าใจเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะอันบรรดาธรรมทั้งหลายนะถ้าหากว่า สติระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยลองคิดดูอันนี้ยรียกเกเคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆอยู่เรื่อ ง, องนี้แต่วันต้องย้ำแล้วย้ำอีกเช่นอย่างว่ามันมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันจะมันทาให้จมันจิตโกรธขึ้นมาให้คนนั่นคนนี้อย่างนี้นะถ้าไปนึกถึงเมตตาธรรมนั่นได้แล้ว ความโกรธนั้นมันก็ยุดติลงนี่แหละสติเมื่อมันระลึกถึงเมตตาธรรมนั้นได้แล้วความโกรธมันก็หยุดลงได้แต่ถ้าสติระลึกถึงเมตตาธรรมไม่ได้แล้วความโกรธนั้นมันก็ลุกลามขึ้นไปได้เลยยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ความโลภ ก, ก็เหมือนกันเนี่ยอื ยกตัวอย่างชันวนะ่ามันเห็นอาหารดีๆแล้วโอ้มันเกิดความอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงนะอย่างนี้ถ้าถ้าไม่นึกถึงสันติธรรมนั่นได้ลวก็มันก็บริโภคเอาซะจนเกินประมาณเนะี่ยพะมันอยากมันมีความอยากรุนแรงมากในอาหารนั้นเลยเกินขอบเขตไป จะทำให้ร่างกายหรือว่าความเป็นอยู่ไม่สะดวกแล้ววั น, นี้เพราะว่ามันเกินขอบเขตแล้วไฟธาตุมันก็ย้อยไม่ไหวเหมือนกันนี่อาหารในกระเพาะของคนเราเนี่ยถ้าผู้นั้นถึงแม้จะเห็นอาหารดีๆนึกอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงทีแรกแต่ท่านเมื่อมานึกถึงสันตุถีความพอดีพอดีขึ้นมาได้แล้ว อย่างนี้แล้วก็มันก็ยับยั้งได้ยับยั้งความอยากในอาหารนั่นได้มันก็จะต้องรับประทานพอดีพอดีกับกระเพาะของตัวเองมาให้เกินขอบเขตอย่างนี้อ่ะยกตัวอย่างให้ฟังคําว่าเป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะนี่นะอยู่ในตัวนี่น ะ, ะเมื่อมีสติสมัมปชัญญะแกล้าอยู่ในตัวแล้วไอ้ธรรมะที่จะเป็นเครื่อง ขับกิเลสในหัวใจนั้นมันก็เกิดขึ้นได้แล้วลึกขึ้นได้ตัวเองอั น, เ, น, อ น, นเมื่อมันจะเกิดความหลงความเมาขึ้นมาความพเพลิดเพลินขึ้นมาอย่างนี้มันจะนึกถึงสมาธิจิตเข้าไปมันนึกถึง ความสุขทั้งหลายแหละมันย่อมเกิดจากความสงบใจไม่ใช่ความสุขอันเป็นแกนสารมันอาศัยความเพลิดเพลินความโมเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอย่านั้นไม่ใช่เมื่อมันลเลิกได้อย่างนี้แล้วมันก็จะสำรวมจิตเข้าไปตั้งอยู่ภายในมีสติไปประคับประคองไว้ไม่ให้เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสล้านนั้น อย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ทําความหลงให้เบาบางออกไปจากกิจใจเรียกว่าใจไม่หลงแบบนี้นะรู้ตัว <c oughs> รู้ว่าไอ้ความเพิดเพลินอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขอันเป็นแก่นสารนี่นะมันรู้อย่างนี้ความทําใจสงบนี่แหละมันเป็นความสุขอันเป็นแก่นสารเมื่อราลึกได้อยะไรนี่มันก็โน้มใจลงสู่ความสงบ นั่นไะใจมันก็ส ง, งบลงไปได้ก็ได้พบกับความสุขอันแท้จริงแบบนี้นะนั่นไความสุขซึ่งไม่มีกิเลสเจื่อผลไม่มีความรักความชังอยู่ในนั้นเลยมีแต่ความรู้สึกเฉยเฉยต่ออารมณ์ต่างๆอยู่ <c oughs> อย่างนี้แหละให้ให้พึ่งพากันเข้าใจ การปฏิบัติธรรมนะมก็หมายถึงการปฏิบัติกายปฏิบัติราจาปฏิบัติใจนี่ให้สงบระ ง, งับจากความชั่วร้ายต่างๆให้มีแต่ธรรมะอันเป็นกุศลตั้งอยู่ภายในจิตใจนี่เราเลือกคัดจัดสรรออกไปด้วยอาศัยสติสมัมปชัญญะนี่นะ เป็นธรรมวิจชยะแบบนี้นะแล้วเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นธรรมวิจชยะคือรู้จักคัดเลือกอืมว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกุศล ร, รู้ได้เลยเนะี่ยควรละความคิดอย่างนี้นะอย่างนี้นะไอ้ความคิดอย่างนี้เป็นกุศลธรรมควรทําให้เกิดให้มีขึ้นก็รู้ได้ นี่หละเช่นท่านเรียกว่าธรรมวิจยะรู้จกักคัดเลือกธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเช่อนอย่างความโกรธอย่างที่ว่ามามุตะกี้นี่เนะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจนี่โอนี่มันเป็นธรรมายอกุศน์ถ้าหาว่ามันเผลอนะสร้างความโกรธขึ้นในใจแล้วอย่างนี้สติมันระลึกได้ เออนี่มันเป็นธรรมสุฝ่ายอากุศลอันเนี้ยไม่ควรส่งเสริมมันควรกําหนดละมันก็กําหนดละไปเลยเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้ว <c oughs> อกุศลธรรมมันก็ระงับไปจา ก, ก จ, จิตใจนี้ <c oughs> แล้วก็มาเจริญเมตตาธรรมขึ้นมาแทนเมตตาธรรมนี่เป็นฝ่ายกุศล <c oughs> เมื่อเราเจริญมาก ขึ้นไปเท่าใดกุศลมันก็แรงกล้าขึ้นไปเท่านั้นอันเมตตาธรรมนี่นะนะแล้วก็ทําใจให้สงบเยือเกเย็นไปได้มากเท่านั้นแหละพอมีเมตตาธรรมมากเข้าไปเท่าไหร่นนพราะว่าความความเป็นผู้ที่ว่าภายในจิตใจนั้นความคิดที่จะอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นน้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในใจอย่างนี้นะ มีแต่ความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นทุขโดยทั่วหน้ากันเลยบรรดาสัตว์ที่ห้องอยู่ในโลกอันนี้นะเราเพ่งดูตรวจ ด, ดูจิตใจในเห็นใจของตอนเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่อย่างเงี้ยเพ่งใจอันปกติอยู่ด้วยเมตตาทำอยู่นั่นเข้าไปมันกระจมันก็สงบมันก็รว ม, มเข้าไปเรื่อยๆ มันก็ไม่มีกังวลอะไรต่อไปอเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าใครมาด่าเราใครมาอิจฉาเบียดเบียนเราอะไรพวกนี้นะไม่ได้คิดเลยในขณะนั้นแม้จะมีใครคิดอิจฉาเบียดเบียนมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นั่นลใครแสดงความรังเกียจ ด, ดียดฉันต่อมา แต่ก่อนมาก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์เลยเ อ, าอ้า น, นั่นเรื่องของคนอื่นเรื่องเรื่องของผู้นั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องของเขาก็เราอย่าไปเอาเรื่องของเขามาเป็นอารมณ์มันไม่ดีสอนจิตใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันก็วางอารมณ์ภายนอกต่างๆเหล่านั้นลงได้จิตมันก็บริสุทธิ์อยู่ด้วยกุศลธรรม อ่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะแต่ด้พูดถึงความยินดีไอ้ความยินดีนี่เราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่เปลี่ยนจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนูนนะ่นมายินดีในธรรมแทนเราพยายามฝึกจิตใจของตนให้น้อมไปให้ยินดีไปในทางธรรม แทนการยินดีไปในทางโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่คนส่วนหลายไม่เป็นอย่างว่านี่นะมักจะโน้มใจไปทางยินดีไปทางโลกนั่นแหละมากกว่าที่จะมายินดีในทางธรรมเพราะว่าความยินดีไปในทางโลกนั้นมันชินมานมนานกาเวแล้ว แต่อดีตชาติหนหลังร่วงมาแล้วนูน่นจิตใจของคนเรานี่มันก็ผูกพันอยู่กับโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักให้พอใจต่างๆนั้นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพดังนั้นเราจะมาน้อมใจให้ยินดีไปในทางทำเอาง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้เพราะวันนิสัยมันเคย ทินกับความยินดีในทางโลกมามากแล้วเราจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้คอยประคับประคองห้ามจิตไม่ให้มันคิดแส่ไปในทางโลกนั้นนี่พูดถึงว่าในเวลาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ครองเรือนนะในเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ ต้องควบคุมจิตให้ได้แต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วนี่ต้องควบคุมจิตของตนตลอดเวลาไปเลยเพราะว่านักบวชนี่มันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสในโลกแต่อย่างใดเป็นผู้สละออกมาแล้วดังนั้นจึงต้องสำรวมจิตของตนอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มันพุ่งไปหาเรื่องเก่าเรื่องหลังที่มันเคยผูกพันมาสำหรับผู้คลองเรือนแล้วแล้วมันก็ทํารวมจิตให้สงบลงได้เป็นครั้งเป็นคราวอันนั้นก็เป็นธรรมดาธรรมะเข้าไปอย่างนี้ผู้ไม่ได้ศึกษาเรียนมาไม่ค่อยเข้าใจความหมายเลยเป็นอย่างนั้น เรฉะนั้นมันต้องพูดกันอย่างภาษาธรรมดานี่แหละหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพิจารณาได้ <c oughs> การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการทามาหาเรี่ยงชีพกับความเป็นอยู่จะ เป็นนักบวชก็ดีจะเป็นคาริหัดก็ดีไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดข้องอะไรสําหรับคนมีปัญญานะถ้าหาว่าขาดปัญญาแล้วเป็นนักบวชก็ขัดข้องอย่าว่าจะเป็นคาริหัดเลยเป็นผู้ไม่มีปัญญาแล้วเป็นผู้ประมาทไม่สำรวมจิตตัวเอง ไม่ฉลาดสำรวมจิตตัวเองปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปอย่างนี้แล้วถึงเป็นนักบวชได้ก็ไปไม่รอดอืมปฏิบัติก้าวหน้าไปไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์สืบต่อกันไปก็ไม่ได้เป็นคารือหัดก็เหมือนกันนะถ้าเป็นผู้ประมาทไม่สำรวมจิตใจตัวเองแล้วอย่างนี้นี่ แม้ทมของคารยหัดก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าทมของครรยหัดนั่นข้อสำคัญก็เป็นผู้เชื่อมั่นในบุญในกุศลในความดีที่ตนกระทามาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนไม่มองเห็นว่า สิ่งอื่นนั้นจะมาเป็นที่พึ่งของตนได้ยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนไกลและบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมานี่ความสำคัญของผู้ครองเลือนจะต้องสำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณดังกล่าวมานี้ให้ได้เมื่อพยายามึกกิตให้มันทำความยินดีพอใจ อยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ยินดีไปในทางบาปมันนี่มันก็ห่างไกลจากบาปนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนานี้ พระองค์สั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรนี่นะเราต้องให้เข้าใจความหมายถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็เพื่อที่จะแนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นได้เห็นความชั่วทีแรกกระซ่งชี้ให้เห็นซะก่อนชี้เห็นว่าการทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นความชั่วมันเป็นบาป คำว่าบาปก็คือความชั่วอันเดียวกันนั่นแหละแล้วผลมันก็คือความทุกข์ดังนั้นบุคคลมารู้ว่าทําอย่างนี้เป็นชั่วเป็นความชั่วเป็นบาปแล้วก็ควรงดเว้นเพราะว่าบุคคลทุกคนนั้นเกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันหมดดังนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ต้องเพียยายามละออกไปจากกิจใจ แล้วเมื่อละความเชื่อออกไปแล้วจะปล่อยใจให้อยู่ว่างๆก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามโน้มเอาความดีเข้าไปใส่ใจเของตนไว้ความดีที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเช่นได้ให้ทานมาก็ดีได้รักษาศีลมาก็ดีได้กราบได้ไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทำสักการะบูชา พัตนาไกลด้วยดอกไม้ทูบเทียนของหอมต่งตางๆก็ดีพวกนี้มันล้วนจะเป็นความดีเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยก็ทําความยินดีในความดีที่ตนทํามานี่แทนการทำข่มแทนการยินดีไปในความชั่วเอที่ตนละมันไปแล้วนั่นนี่เมื่อเมื่อทําความยินดีในกุศลความดี มากมากเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ก็เป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นสะสมบุญกุศลความดีไว้ในใจของตนให้มากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้นะถ้าผู้ที่ฉลาดนะก็ต้องรู้ได้ว่าวันใดเวลาใดก็เป็นวันเป็นเวลาที่ตนทําความดีทั้งนั้นเป็นเวลาสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้น เมื่อตนละความชั่วออกไปแล้วอมันต้องรู้อย่างนี้สําหรับผู้ฉลาดแล้วนะผู้ไม่ฉลาดแล้วมันก็ไปมองเห็นตั้งแต่ว่าได้น้มเอาเข้าของเงินทองไปถวายพระเนี่ยทำบุญให้ทานเชื่อเชิญ ญ, ญาติพี่น้องมาร่วมบุญร่วมคุ้มรกันเท่านั้นแหละจึงจึงถือว่าตนได้ทําบุญอันนั้นมัน มันเป็นความคิดความเห็นที่ยานเกินไปอมันไม่กระทัดรัดเข้ามา น, นจริงโยมันก็เป็นบุญกุศลนั่นแหละก็ว่าได้ทําบุญนั่นแหละแต่วันนี้เวลานอกนั้นถือว่าตนไม่ได้ทําบุญนี่บหวะเ น, นี่ยถือว่าตนไม่ได้ทําบุญอืที่นี้พูดฉลาดแล้วมันจะต้องกําหนดรู้ว่าเมื่อตอนไม่คิดไปทางชั่วแล้ว จิตใจของตนเนี่ยยินดีเลื่อมใสยอยู่ในคุณพระรัตนไกลและบุญกุศลที่ตนทำมาเสม อ, สม อ, องนี่นะแล้ววันนี้เมื่อตนทำอะไรด้วยกายออกไปมันก็เป็นแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยเมื่อเว้นบาปแล้วน ะ, ะนั่นแหละและที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วไอ้ทำนาอย่างนี้นะ ทำลงไ้ได้ข้ามาแล้วก็กินบ้างทานบ้างเนี่ยจะไม่ชื่อว่าทำบุญอย่างไรแล้ว อ, อันนี้ทำสวนทำการค้าการขายใดๆก็ดีทำอะไรก็ช่างถ้าทำโดยทางสุจริตแล้วมันล้วนตั้งแต่เป็นทางก่อให้เกิดบุญกุศลทั้งนั้นเลยการกล่าววาจาอย่างนี้นะ เมื่อตนสำรวมในศินด้วยดีแล้วอย่างนี้พูดจาปราสัยอะไรออกไป ก, ก็มีสติสมรจัญญะละมัดระวังไม่ผิดไม่พลาดถ้าเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่พูดอถ้าคิดเห็นว่าพอที่จะเป็นประโยชน์ได้ก็จึงค่อยพูดออกไปอย่างนี้เมื่อพูดออกไปแล้วผู้ฟังนั้นได้ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดีที่ชอบไปได้อย่างนี้นะ ก็เท่ากับว่าได้ให้ทำเป็นทานนะนก็ได้บุญได้กุศลเรื่อยไปนี่นะถ้าบุคคลมาละบาปแล้วนะทาอะไรพูดอะไรไปก็ชอบแต่ที่จะเป็นบุญเป็นกุศลไปเรื่อยๆนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลไปในตัวอะไรดั น, นั้นพุทธบริษัทเนะี่ยควรจะรู้ไว้อย่าไปเข้าใจแคบๆเท่านั้น ว่าเมื่อตนได้ให้เข้าน้ำโภชนาอาหารเป็นทานจึงชื่อว่าได้ทำบุญถ้าไม่ได้ให้อย่างว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ทำบุญเลยไม่ควรเข้าใจเพียงแค่นั้นควรเข้าใจว่าเมื่อเราสำรวมใจประคับประคองใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ได้แล้ว ใจนี่ก็เลยเป็นบ่อบุญบ่อคุณวานี่เป็นบ่อบุญบ่อคุศลเมื่อตนมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมองเห็นร่างกายสังขานี่เกิดแล้วแฝงปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นจิตใจไม่หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปอยู่ตามธรรมดาเท่านั้นแล้ว อันนี้ยิ่งเป็นกุศลอย่างแรงอย่างสูงเรอดังนั้นเลยให้พึ่งพาการเข้าใจไม่ว่าหน้ากวดไม่ว่าขรึมหัดถ้าหากว่ามีอุบายเงียบคายอยู่ในใจอย่างว่านี้แล้วก็ชื่อว่าเราได้สั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ให้พาการเข้าใจให้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าขณะใดหากเผลอตัว ปล่อยให้จิตจินดียินร้ายไปหรือว่าโกรธฉุนเฉียวขึ้นมาเวลานั้นต้องให้ถือว่าจิตตนนั้นมานน้อมเอียงไปทางอกุศลแล้วต้องตื่นตัวทันทีเลยเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นก็รีบสำรวมจิตเข้าทันทีกำหนดจิตเตือนจิตของตนให้ละอารมณ์ น, นั้นทันทีเลย จิตนี่เมื่อสติเตือนเข้าไปได้อย่างนั้นแล้วมันรู้ตัวพอมันรู้ตัวแล้วมันก็กําหนดละเรื่องนั้นได้อ่าเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ยึดถือเรื่องนั้นไว้นมนานอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเราเพียนละบาปบำเพรนบุญไปพร้อมๆกันไปเลยะออแน่นอนแหละอันผู้ที่ยังละบาป ให้เป็นสมุิเฉดท้าหารยังไม่ได้นี่นะเนื้ว่าเราจะละมันไปแล้วในเวลานี้มันระ ง, งับไปแล้วอย่างนี้นะก็อย่าพึ่งนอนใจอย่านึกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกไปไปแล้วเผลอสติเมื่อใดแต่มันเกิดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้เมื่อเวลามีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างนี้นะมันอาจเกิดขึ้นเวลาใดก็ได้ดังนั้นเรา ถึงแม้เราละอากูศลวิตกอย่างว่านั้นไปแล้วก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนั้นเตรียมตัวอยู่เสมอตลอดเวลาเลยทีเดียวเตรียมตัวระวังกลัวว่าไอความชั่วมันจะแทรกเข้ามาในจิตใจนี่นี่ต้องต้องระวังอยู่นี่ตลอดไปถ้าเมื่อเราระวังอยู่อย่างนี้แล้วพอเรื่องชั่วมัน ยอนมาแต่ภายนอกมากระทบกระทั่งเข้าไปเวลาใดมันก็รู้ทันเวลานั้นจิตก็ไม่หวันไหวเลยสติมันจะเข้าไปควบคุมจิตไม่ให้วันไหวไปกับเรื่องชั่วนั้นนั้นนี่แหละให้เข้าใจกันอย่าพากันไปนอนใจนึกว่าจิตใจของตนสบายแล้วอย่างนี้ก็เพลินไปไม่ค่อยควบคุมจิต อย่างนี้นึกว่าตนสบายแล้วตนไม่มีความชั่วยอยู่ในใจแล้วอย่างนี้แล้วก็เพลินไปเสียอย่างนี้ยไม่ถูกต้องออถ้าเพลินไปเนี่ย พ, พอเผลอสติเข้าไปเนี่ยอันกิเลสเนี่ยมันคอยจ้องจะเล่นงานอยู่แล้วพอแต่มันรู้ช่องทางว่าพวนี้เผลอตัวเมื่อใดแล้วกิเลสมันลุกขึ้นมาทันทีเลยออมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้น ผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเท่าไรผู้ใดรักษาความไม่ประมาทไว้ ไ, ได้มากเท่าใดผู้นั้นก็สามารถรักษาบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นไว้ได้มากเท่านั้นเลยแล้วก็สามารถบาเพ็ญบุญกุศลเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆไม่มีทางถอยเลยเพิ่มเลยเพราะแต่ละวันแต่ละคืนเราควบคุมใจให้ดี ให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็เจริญไตรลักษณะญาณอยู่เสมอๆไปมองเห็นสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนี่ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ากุศลแปลว่าความฉลาดของจิตนี่นี่มันจิตมันฉลาดในตัวอย่างนี้แหละ มันจึงละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้ถ้าไม่ฉลาดสอนตัวเองอย่างว่านี่แล้วมันละอุปทานไม่ได้เลยอมันเป็นอย่างนั้นมันจะละอุปทานได้ก็เพราะว่าเรามามีอุบายเงียบคลายในใจนี่เสมอเสมอไปแล้วความรู้นี่มันจะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้น ความรู้นี่มันจะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเราเพ่งพิจารณาติดต่อกันบ่อยๆเข้าไปเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวตนแกนสารของเราอะไรเลยอย่างนีนะ้รู้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ นี่แหละมันทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อความรู้มันยิ่งขึ้นไปเท่าใดนั่นแหละมันถึงจะละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่ว่าใครๆก็รู้ได้สังขารทั้งฟวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามนี้นะใครๆก็รู้ได้ทางนั้นแหละผู้เรียนทำผู้ฟังทม แต่ว่ารู้ได้แล้วจะไม่เอาไปสอนใจตัวเองให้เห็นแจ้งอยู่บ่อยๆรู้ไว้เฉยๆอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์อ่ะ น, นั่นแหละเมื่อรู้แล้วเราก็น้อมสติเข้าไปเพ่งให้เห็นอนิจารักษณะให้เห็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่ปรากฏขึ้นในจิตใจให้ได้ คำว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรอ่ะนี่ภาพแห่งความไม่เที่ยงนั้นจะปรากฏขึ้นในใจเมื่อหากว่าเราเพ่งอยู่ไม่ถอยนะมันจะอย่างนั้นอา้าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์มันเป็นอย่างไรภาพแห่งความเป็นทุกข์มันก็จะปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างนี้แหละภาพแห่งความเป็นอนัตตก็เหมือนกันนะพอเราวิตกขึ้นว่า สังขารทั้งหลายหรือว่านามรูปทั้งหลายเป็นอนัตตานะี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างนภาพแห่งความเป็นอนัตตาก็ปรากฏหรือว่าความรู้แจ้งขึ้นในจิตอนะันนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาอมองเห็นว่าอาวิวาโนใหญ่ทั้งพวงนี้ไม่มีสาระแกนสารอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนี้เลยอ่ะ มันก็มองเห็นด้วยใจของตนเองอย่างนั้นนะมองเห็นด้วยใจในขณะที่ใจมันสงบนิ่งอยู่นั่นนะมันก็รู้ชัดอยู่ในขณะนั้นเลยอย่างนี้นะเนี่ยรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เลยบ่อยๆเข้ามันก็เกิดนิพพิทาเออนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนอนี้หนอะมันถึงได้ลาบาก ยากเย็นอย่างนี้ต้องประครบประ ง, งมต้องรักษาดูแลอะไรต่ออะไรอยู่สารพัดกลัวว่ามันจะพอทรงอยู่ได้อันอัตภาพร่างกายอันนี้นะมันแสนยากแสนลำบากบากจริงๆแต่ถึงจะประครบประงมมันสักเท่าใดเท่าใดมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นเองนะแต่มันพอประทงังประทังไปอยู่ได้เท่านั้นเองเนะี่ย ถ้าอยู่นานปีนานเดือนนานวันไปมันก็เอาแะไรมันก็สุดไปสุดไปจะประคบประงมรักษาดูแลให้ละเอียดถีทวนยังไงก็ไม่ไหวไม่ฟังอออย่างนี้แหลเราเพ่งอนัตตลักษณะให้ปรากฏขึ้นในจิตใจลงไปเมื่อใจมันเห็นแจ้งอย่างนี้แดีวมันก็จึงละอุปท า, าน ละความยึดมั่นถือมั่นด้วยความยินดีด้วยความพอใจในานามในรูปอันนี้นะความยินดีพอใจในานามรูปอันนี้ดับไปไหมครับอย่างนั้นน ะ, ะดับไปจากความรู้สึกเพราะมันเห็นแจ้งแล้วไม่ใช่ของเราไม่เป็นไปตามใจหวังถึงเวลามันแตกก็แตกถึงเวลามันดับมันก็ดับไปใครจะบังคับมันไม่ได้เลย ดังนั้นอย่าไปหวั่นไหวเวลามันแปรผันไปก็ะอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เละอย่าไปเศร้าโศกอย่าไปเสียใจ <c oughs> การเศร้าโศกเสียใจนั้นเป็นทุกข์ขาพเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเราจะไปบังคับให้ร่างกายอันนี้ไม่ให้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี้บังคับไม่ได้เลย บังคับไม่ให้มันแปรปวนมากระทบกระทั่งกับตรวงกิจอันนี้ก็บังคับไม่ได้นี่ดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าและอดทนอดกั้นต่อความแปรปวนของสังขาร น, นามรูปอันนี้ให้ได้เมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ฝึ ก, กจิตใจไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้าใจนี่มันก็มีกําลังเข้มแข็งเพราะอดทนต่อความทุกข์ความวันไหวนั่นแหละใจที่มันจะเข้มแข็งได้นะถ้าผู้ใดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในกายในจิตนแล้วจิตวันไหวไปเสียอ่อนแอไปเสียอย่างนี้นะจิตนี่มันก็เลยไม่มีกําลังอะไร นับวันแต่วันไว้อ่อนแอเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาน้อยหนึ่งก็เอาแล้ววันไว้แล้วเรือดร้อนแล้วเพราะความไม่ฝึกฝนความไม่อดทนอดกัน้นมือนไงดังนั้นเราจึงต้องหัดอดหัดทนนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็ดีอา้ามันเจ็บมันปวดมันร้อนมากมันหนาวมาก อะไรหมดนี่ก็อดกั้นทนทานนะอย่าไปเสียใจเศร้าโศกกับสังขารร่างกายอันนี้ฝึกเข้าไปบ่อยๆเข้าไปจิตมันก็เข้มแข็งขึ้นก็เรียกว่ารู้เท่าทุกข์นั่นแหละเมื่อรู้เท่าทุกข์ได้สมมุทัยมันก็ดับไปคือตัณหานั่นนะ ความอยากให้ร่างกายอยู่ยั่งยืนนานอยากให้หายเจ็ดภัยป่วยหายโรคหายภัยต่างๆโมนีษนะความอยากอย่างว่านี่มันก็ดับไปแล้วอาจจะไม่อยากมันยังไงก็ยังว่ามันบังคับไม่ได้แล้วถึงอยากอย่างไรมันก็ไม่เปลี่นแป บ, บตามใจหวนแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงเวลามันจะแตกแกดับถึงเวลามัน จะสงบไปมันก็สงบไปเองมัน่ะไม่ต้องวิ่งวอนอะไรมันก็สงบไปเองมันอไม่ต้องคิดว่าอยากให้มันสงบระงับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันก็สงบไปเองมันนั่นแหละก็อย่างว่ามันไม่อยู่ในบังคับของผู้ใดมันอยากเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันนะแล้วก็พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่ต้องอยากอก็แล้วนี้ เนี่ยที่ว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงสมุทัยคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกนั้นเป็นหน้าที่ของผู้วอมเพนจะพึงกำหนดละเมื่อละได้แล้วก็กำหนดรู้อีกทีหนึ่งว่าตนละได้แล้วละความอยาก ต่างๆวันนี้ลงได้แล้วก็รู้อย่างนี้นะทีแรกก็เพียนละซะก่อนเพียนละไปเรื่อยๆครั้นเมื่อมันละได้เด็ดขาดจริงๆมันก็เกิดงานความรู้อันหนึ่งขึ้นมาว่าตนได้ละความอยากต่างๆได้แล้วนี่มันก็เกิดงานความรู้อันหนึ่งขึ้นมาเลยวันนี้นะ มันมีสองขั้นตอนสามขั้นตอนอย่างนี้แหละให้เข้าใจการปฏิบัตินะเมื่อทีแรกนี่มันก็ต้องเพี้ยนละความคิดความมิตกวิจารณ์อยากให้ร่างกายสังขารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำลุงบำเอร่างกายสังขาร น, นี่ให้มีความสุขความสำราญอะไรต่างต่างงนี้นะ ความอยากเหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นอย่าไปอยากมันอา้าวไม่อยากแล้วทำางไงสิไม่ต้องแสวงหาอะไรอย่างนั้นเหรือนี่พูดถึงสำหรับผู้ครองเรือนไม่ใช่อย่างนั้นไอการทำการทำงานต่างๆเห่านั้นเน่ะมันจำเป็นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้แล้ว ถ้าไม่ทำการทำงานก็ไม่ได้ปัจจัยสี่อันนั้นมาบมรุงชีวิตนี้ให้เป็นอยู่ไปแต่การทำงานการแสวงหาทรัพย์ของคนเรานี่นะบางคนก็แสวงหาทรัพย์สินเงินทองด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัญหาความไม่รู้เท่าบางคนจะแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอันนี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญา ผู้แสแวงหาด้วยอำนาจแห่งสติปัญญานี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนน ะ, ะก็รู้จักพอดีพอดีรู้จักประมาณตนอย่างนี้แหละเมื่อแสแวงหาอนใดไปหากว่าไม่ได้ตามใจหวังก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนคนมีปัญญาเป็นเพียงงั้นเอาแสแวงหาเงินทองเข้าของอะไรไป เมื่อได้สมหวังมาก็ไม่ดีใจเกินขอบเขตเพราะมองเห็นแล้วว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงถึงได้มาแล้วมันก็ต้องหมดไปใช่ไปก็หมดไปเป็นธรรมดาดังนั้นจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสมบัติที่หาได้มานั้นเพียงแต่ว่าเอามาใช้มาจ่ายพอปลดเปลื้องอวสัชขัดข้องไปชั่วคราวชั่วคราวไปเท่านั้นเอง นี่สำหรับผู้มีปัญญาเมื่อแสวงหา ท, ทรัพย์โภคาได้มาแล้วกดต้องรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับความมีทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความเสียทรัพย์เสียสินต่างๆไปพเพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุธทธบริษัทมีปัญญาในการ ประคับประคองชีวิตของตนให้เป็นอยู่ในโลกนี่อย่าอย่าไปสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่จิตใจของตนเองนี่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านะสําหรับผู้ที่ยังจะต้องสร้างสั่งสมบุญบา ร, รมีไปก็ต้องพยายามรักษาจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันตกไปทางบาปทางอากุศลดังกล่าวมานั้น และให้มีปัญญารู้จักหาอุบายหลีกเลี่ยงจากทางแห่งความเสตอมเราพยายามรู้จักสเสแวงหาทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนและครอบครัวของตนให้ได้อบุคคลที่จะนําครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ก็เพราะมาเว้นจากอบายามุข ค, คือเหตุเครื่องสิตหายตียางาหนึ่งเว้นจาก ความเป็นนักเรงเจ้าชู้สองเว้นจากความเป็นนักเรงสุราสามเว้นจากความเป็นนักเรงเล่นการพนันสี่เว้นจากคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อบุคคลใดมาเว้นจากอบายมุก ค, คือเหตุเครื่องจิตหายสี่อย่างนี้ได้แล้วผู้นั้นก็สามารถที่จะพะดุงฐานะของตนให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ ไม่เสืมเรียว่าไม่เสืมจากความสุขของผู้ครองเลือนเท่าที่จะพึ่งทำให้เกิดให้มีไปได้พระอริยาบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นแต่ในครั้งว่าพระเทเจ้าท่านเหล่านั้นก็ครองเลือนอยู่เหมือนกันกับคนทั่วๆไปนั่นเองแต่ว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วท่านก็มีปัญญา สามารถเลือกเฟ้นทมที่เป็นอกุศลดังกล่าวมาใ่เบื้องต้นนั่นแหละทำใดเป็นอกุศลไม่ทำไม่พูดไม่คิดมันไปแล้วก็สามารถทำพูดคิดในธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้สม่ำเสมอไปไม่มีหยุดยั้งดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้